ไม่ได้ตักบาดรแ่วันเม่มมมมวานฝนตกอย่างแรงนะตกมากมา ก, มา ก, มากเลยจนขยับขยื่นจากสล า, าไม่ได้พระก็อยู่สล า, าหลวงพ่อก็เลยประกาศเออขอใน ม, มนฑลกรูบาจารย์พระสงฆ์ประจำที่รับประเคนอาหารเลยนะไม่ต้องบินทบาทพ่อบินทบาทการถ่ายเทยอาหารออกจากบาตรแล้วก็พี่น้องประชาชนใส่บาตรเปียกปอนไปหมด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 ไปรับในมนที่ไหนมาในหลวงปู่ท่านจะรวบรวมพวกหมูยอพวกไข่ทอดพวกอะไรพอมาถึงแล้วก็หวานลงไปโอ้โหอาหารปลาใช่ไหมนะมันก็กินเชีอร็ดอร่อยท่านก็เห็นปลากินท่านก็สงสารปลามันอยู่ในน้ำท่านก็รักปลาของท่านเหมือนกันนะขนมาให้นี่แหละ เพราะท่านชอบน้ำชอบความชุ่มชื้นงานศพของท่านกับฝนตกโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันพอเมื่อวานนี้ก็เนี่ยสมโพธเจดีของท่านกับฝนตกดูไม่จือดอีกเหมือนกันแต่วันนี้ไม่เห็นตกเี่ยเพราะมันตกหลวงปู่เพียนคงจะให้ฝนตกมากเมื่อวานเพราะฉลองเจดีของท่านฮะ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 นิ้วมือตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วอยู่ในคอเขาตัอเองเอาเชือกมัดมัดมัดไข่คอไว้อันนั้นเรียกว่าองค์ุริมานองค์ุรีก็คือนิ้วมือองค์ุรีโจนก็คือองค์ุริมานโจนโจนที่มีนิ้วมืออยู่ในคอเก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วฮะแต่ยังขาดอยู่นิ้วเดียวฮะองค์ุริมาน แต่นี่ก็พบพระองค์ไปโปรดก็เป็นที่รู้กันแต่ในบุพกรรมกรรมเก่าขององคุริมานแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินแต่พอจบแล้วก็จบไปแต่กรรมเก่าขององคุริมานทำไมองคุริมณนจึงไปฆ่าคนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านยกเป็นชาดกขึ้นมาในอดีตชาติในอดีตชาติองคุริมันเป็นควายป่า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 ไปจนถึงปลายกลวยมันก็เขาทําให้แข็งแรงไงควายตัวนั้นก็เข้าไปในจุดนั่นเอาไม้เลียงทําเป็นรั่วแล้วก็เอาเถาวายมัดให้แข็งแรงควายมันก็วิ่งเข้าไปก็หมดท่าเลยทีนี้ไปอยู่ในนั่นอชาวบ้านทั้งหลายหมู่บ้านไห่หอกไคแหลนหลาไม้ไผ่ไม้ลวก อ, อ, อ, อไม่ท้วน